คนจากสงสัยไม่ต้องรูปคลำ ม, มันเลยไม่ต้องสงสัยเนียนั่นแหละถ้ายังไปรูปคลำอยู่เราจะนั่งเพื่อสมาธิให้เทวดามาช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะสักเเคกาเมจะรูปเปคิริคารตาเตจันติเคบิมานีเพื่อจะเปล่าเทวดาทางใดนีเป็นศริรปตประมาทเท่านั้นนะครับถ้าพูดไปอย่างละเอียดเดียวครับแต่พระสุสานท่ า, ษษานยังมี จริงทีไม่รู้มีมีครับถ้าไม่รู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีควาสงสัยไหมอระโสดาบันได้กี่อันร่างกายละได้สามอิจิากับราชัยาทนติติสิทธะปัตตะนาภาไม่ไดสงสัยคือหมายความว่าไอ้ความสงสัยนี่นะมันตามขั้นตอนที่เด่นของโสดาบันเป็นส่วนหนึ่ง สกิตสาขาเป็นไม่เป็นส่วนจริงที่ละเอียดแต่ละเอียดเด็เป็นชั้นๆขึ้นไปเป็นส่วนของบุคคลไอ้ความหนักของเด็กมันก็เป็นอย่างหนึ่งไอ้ความหนักของผู้ใหญ่มันก็เป็นอย่างหนึ่งในระยะที่นี่ขึ้นไปถึงพระอรหนนันต์นี่มันมีครับมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีชื่อเดียวกันแต่ว่ามันหนักเบากว่ากันแต่ว่ามันจะหมดไปครับไม่ยู่ไม่ได้อยู่มันจะหมดไปมันไม่อยู่มันมัน ถึงแม้มันมีอยู่บ้างก็เรียกว่าไม่เป็นอะไรไม่ทำก็ไห้มันเกิดพิษเกิดภัยการรูปคร่ำ ม, มาสงสัยจะถูกไหมน้องผิดไหมน้องอย่างนี้โดยมากก็เป็นฝ่ายจิตใจเราอ่าไปพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าช่างไม้ พูดถึงเรื่องจิตใจของเราพูดถึงเรื่องกิจจงเลสทั้งหลายนี่ถ้าเราทําลงไปพกเห็นเหตุผลแล้วทันว่าผิดไมหมเนอถูกไมหมเนาะนี่ไม่ได้คิดไ ม, ไม่ได้สงสัยใครทําไปถูกแล้วใครว่าผิดอยู่ก็มันไม่มีอะไรแต่ไม่เถียงใครจะเถียงคนที่สงสัยกับคนไม่สงสัยเถียงกันไม่รู้กันสกายทิฏฐิเห็นในกายของเจ้าของ มีจีคิดชา้าความลังนลี่ถ้าพระตาปรมาสักกายคิดี่นี่มันก็รูปคลำเหมือนกันมีจีคิดช้ามีอยู่ก็รูปคลำเหมือนกันที่ถ้าปัจจรมาส์นี่มันก็เป็นเครื่องรูปคลำเหมือนกันเช่นว่าเรานั่งสมาธินานๆ หรือแสดงอาบัตยังไงอาบัตตกไปหมดหรือเดินจงกรมอย่างนี้หรือานานๆอยู่ปริวาททีหนึ่งใจแล้วก็สบายบริสุทธิ์อย่างเนี้ยเป็นศีทธิพัธระมาทั้งนั้นนานๆอยู่ปริวาททีหนึ่งซังใจก็สบายผมเห็นพวกเขามาอยู่ปริวาทท่านอยู่ทําไมท่านเป็นดผมไ ม, ไม่รู้จักอยู่ทําไม บางทีบางทีอยู่มานานๆบางทีมันกลัวมันจะเป็นยัา ง, งานันกลัวมันจะเป็นอย่างงี้ก็มาอยู่แลโดยให้มันสบายเนี่ยไม่มีความหมายเลยครับนี่คือเรียกว่ารูปครัมในใจอย่างรูปครัมมันรูปครัมเชื่อว่าเราแสดงอวบดี่สงสัยอวบดีแสดงว่ารูปครัม ถ้าความเป็นจริงแล้วนะถ้าไม่มีใครนะไม่จำเป็นเดี๋ยอย่าไปพูดในคนนะอย่าไปให้คนอื่นของเราอย่าไปพูดในคนถ้าเรามีข้อข้องใจมันรูปคลัมมาแสดงอรับดาดที่เรยว่ามันรูกคลัมอยู่กว่าแสดงอรับาดอย่างนี้ถ้าเราไม่สงสัยอะไรแล้วมันไม่รูปคลัมนะอันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราแน่ก็ไม่ ย, ยิ่งตกไปด้วย ไม่ได้วันมีตกไปด้วยถ้ามันไม่รูปคําำคือมันไม่รูปคล้ำค่ายๆก็เรียกว่ารูปคําก็ค่อยๆพูดถึงเรื่องจิตของเราอือย่างปาสนูนะเดินไปตรงนั้นไอ้ไอ้ขานี่ไปถูกกระเตียงเข้าเด้ย่ยเยนี่ถูกคําำเห็หมนมี่พูดกันง่ายๆ ย, ยังรูปคล้ำอยู่ คือมันจะอยู่เฉยๆก็ไม่อยู่เพราะมันเก็บอยู่ข้างนั้นๆมาลูกครามโอ้โหลูกครามนี่นี่พูดเห็นง่ายๆการลูกครามมันมีสิ่งที่ลูกครามอยู่อย่างนี้ครับไม่เหมือนกระสุนปืนโตไม่เหมือนกับไอ้ชากระโลงไม่ได้ไม่ได้ไปโดนเตียงกเฉยไม่ต้องลูกครามไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยนี่อุบายบอกให้รู้จักทําไมถึงลูกครามเพราะว่ามันสงสัยอยู่มันเก็บเนี่ยก็ลูกครามนี่ลูกครามอย่างนี้เลยครับ อันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของเราเราทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้เป็นไหมลูเชียนว่า เ, เจตนาหังเป็นเหตุอย่างที่ว่ายุงมากัดเราอ่างนนะพอดีกมันมันมันกัดยุงปับอ้าวเ้ือดเต็มมือเลยตายเลยอยูนะ่ไงพอเห็นเชินกันลูกไม่ต้องดุกคำเป็นระบตดไหมเนาะ เราไม่มีเจตนาหรืออะไรไม่มีเจตนาท่านบอให้มีสติให้ดีเนี่ยท่านประมาทเลยวุ่นอยู่นั่นเล้รูปคล้ำเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นวันวานคันพุ๊บก็โอ้ยอยู่ตายเลยคือช่างมันทิไปถึงกตีเราไม่ได้นึกอีกพรุ่งนี้ก็ไม่นึกอีกว่าเราจะเป็นอะไรเราเชื่อเจตนาของเราอย่างนี้เราชำระบีตกเราได้อย่าง น, นี้เมื่อทําความเพียนก็ไม่ต้องปีตกมาหาตรงนี้ ก็เพราเราไม่ได้ไม่ได้ไปโดนเตียงยถ้าไปโดนเตียงกนน็นั้่าก็ัวให้ดูคำอยู่นี่ดีด้วย <c oughs> ดีไม่ดีต้องหาน้ำมันมาใส่เลยนี่มีอุบายให้รู้จั ก, กว่าการกรูปคำอย่างนี้นรูปคำคือมันมีอะไรอยู่ตรงนี้มันยังเจ็บมันยังปวดอยู่ตรงนี้รูปคำจิตใจมันกวนมันตกวันถยูตรงนี้มี่เดียวรูปคำส ก, กายะชิติ การตามเห็นร่างกายของดานี้ว่ายอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นคือท่านเห็นมาอันนี้มาใจของเราแล้วก็ยอมแล้วว่าถูกต้องน่ะไม่ต้องดูกคำนะวิกิจิตชายะลังเลสงสัยอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วศิรธปัตตระมาศ จะมาดูมาคลก็ไม่มีมันเป็นกิเลสข้าหน้าหิบติดต่อกันสักากายทิพฐ์ผีกิจกิจฉาชิดปัะตปรมาสเนี่ยครับมันติดกันนะคือเราปล่อยจากสกุนน่างกายเห็นแน่ตามส่วนมันเนี่ยพี่กิจกิจฉาสงสัยมันก็ไม่มีเนี่ยมันต่อแบบมาจากโน้นเลยเมื่อไม่ได้สงสัยการดูคลำก็ไม่มีครับมันก็เลยไม่มีมันก็เลไม่ กิเลสส่วนนี้เฉพาะพวกนี้กับในในขันทางข่าเน้ในรูปอย่างเดียวจเนอะันอะไรจะอะไรจะมันเป็นขันหนึ่งก็หมดทางรูปทางก้อนนี่แหละแบบเวทนาสัมยาทางขานมันจาเมืองรวมทั้งห้านี่แหละแต่ก็เราจะพูดตามส่วนเนี่ยมรักแปดอย่างนี้นะอะไรบ้างมรักแปด สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะถ้ามันเห็นชอบแล้วนะไอ้ความลํานิมันชอบมันชอบกันไปหมดถึง น, นู่นเนี่ยครับแต่ว่ามันชอบขนาดนี้ความเห็นชอบของพระโสดา บ, บันก็มีของพระสุย ธ, ธากายพระนาคาก็มีมันไม่ยิ่งถึงไอ้ความเห็นชอบนี่มันก็ไม่เหมือนของพระอหรหันนี่แต่ว่าสักยุทธิไอ้ไอ้ ไอ้ความเห็นชอบคนสัมาทิฏิมันก็เห็นชอบเมื่อความเห็นชอบแล้วไอ้ความลำดิมันก็ชอบไปเหมือนกันมันไม่อยู่หรอกครับแต่ว่ามันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนี้มันชอบขนาดนั้นมันชอบขนาดนั้นไปตามระดับของมันอืมันเป็นไดอย่างนั้นแต่ว่ามีเห็นชอบมันก็เห็้ยนหมดแหลความเห็นชอบนําดิชอบกำงานสอบมามันก็ชอบไปหมดแหละครับแต่ว่ามันชอบใหม่มาก ถ้าพาระโสดาบันเห็นชอบมันก็ชอบไม่มากเหมือนพระอรหันต์เห็นชอบมันคนละขณะแต่จะเรียกว่าเห็นผิดก็ไม่ได้ในคณะที่เห็นชอบถ้าหากว่าเห็นผิดถ้าหากว่าไม่มีผิดมันก็ไปถึงพระอรหรันต์ด็มันก็ยังมีผิดอยู่ที่มันจะเป็นพระโสดาบันมันยังเดินไม่ได้นี่แต่ว่ามันชอบในคณะโสดาบันนี้ไม่ชอบไปถึงโน้ ถ้ามันชอบอันเดียวกันทั้งหมดขนาดเดียวกันหมดนันก็เป็นพระอาหารหันต์ที่ไม่ต้องอยู่เป็นโสดาบันสิอืใช่ว่าเขาไม่ชอบมันชอบขนาดนี้ผมยกหมดกําลังของผมอเองครับหมดกําลังของเด็กหมดกําลังแล้วครับอย่างนี้ก็หมดกําลังเลยแต่วพอมาหมดกําลังของเด็กไม่ใช่หมดกําลังของผู้ใหญ่เนี่ยอเขาก็พูดไปตามขั้นอย่างนี้ มันมันมันมันไปจุบเรื่องของมันเนี่ยมันไม่มีทางสงสัยหรอกใจมันก็ละกายมันก็ละใจไหมกายมันก็หมดจิตมันก็หมดกายมันก็ไม่อยากจิตมันก็ไม่อยากมันหมดกายก็หมดอำนาจจิตก็หมดอำนาจือไม่มีเถือที่มันสิ้นอ่ะ จะเหลือหทใหม่อืมเดือก็ับสุนอขก็ไปกินเท่านั้นเดี๋ยวไงเมวไปกินเั่านอืนไอ้มันมีเหลือดิที่มันเหลือมันก่อมันเหลืออยู่ที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้พีเตอร์สงสัยอยู่เดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่เขาพูดเรืงว่าไม่เหลือมันเหลืออะไรนี่นี่นี่มันเหลือกี่ตรงพีเตอร์ยังไม่รู้อ่ะสงสัยอยู่เดี๋ยวนี้ ไม่มีตัวไม่มีห่วงแต่าพอพูดว่าก็จต้งฝตัใช่เป็นห่วงอะไรไม่ใช่หรอกไอ้คนที่เห็นตัวนี่คือเห็นว่ามิใช่ตัวไม่มิใช่ตนเดียวกับคนเห็นตัวเห็นตนเข้าใจไหมคนที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่คนไม่เห็นตนท่านมาฝึกตนตนนั่นคืออะไรตนคือไปเห็นว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนนั่นเรียกว่าคือตน เข้าใจไหมท่านยังไม่เข้าใจเป็นห่วงอะไรเล่าเป็นห่วงที่มันเหลืออยู่นั่นเดือยใครเดียว่าเห็นต้นนี่คือตนก้อนนี้ใครเห็นต้นคนที่เห็นตนก็คือเห็นว่ามีใ่ตัวมีใ่ตนนั่นคือคนเห็นต้นเข้าใจไหมจะห่วงอะไรอีกเล่ามันก็ถูกเลยจะทําไงที่คนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่คนนั้น ไม่รู้จากตนไม่เห็นตนแต่เห็นตนก่อนนี้เห็นว่ามีใจตัวใจตนแล้วคือคนนั้นเห็นตนอันนี้มันจะต้องฟังแล้วเที่งมันไปเราทำเพียนเราไปหลักนี้ไม่ต้องหยุดมันอย่ารืมที่เรียกว่าไอ้ความรู้ทั้งหลายที่มันหายสงสัยจะหมดความสงสัยนั่นน่ะมันอยู่ที่การกระทำความเพียนไม่อยู่ ไม่ไม่ใช่เข้าใจว่ามันจะหายสงสัยเพื่อไปถามคนอื่นเขามันจะหมดว่าไอาความสงสัยจะเหือดแห้งไปเพราะการกระทาเพยียรนี้ไม่หยุดแต่ประการกระทำเพียรดาวนี้มันก็ไม่จะไม่ได้ดังใจเราแต่เราอยากรู้เห็นเร็วๆ เ, เ, เข้าไปแต่เราก็ขี้เกียจอย่างนี้นน ความความสงสัยจะหงินแห้งไปจากจิตใจของพรามเพราะการกระทำเพียนไม่หยุดไม่ใช่ว่ามันจะไปหายสงสัยจากที่อื่นฉะนั้นท่านจึงจให้เร่งทำความเพียนไปสม่าเสมอเรื่อยๆอะไรรู้ขึ้นมาจับปิจรณาแล้วเห็นก็เห็นไปไม่เห็นก็ทิ้งมันไว้นั่นก่อนวันนี้พบมันแล้วแต่รู้มันก็รู้ไป ที่ยังไม่รู้กว่าทิ้งไปก่อนต้องทําไปอย่างนี้เราร้อนเกินไปเกิไม่ได้เย็นเกินไปเกิดไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ช้าไม่ใช่เร็วนี่เธอช้าก็ไม่ใช่เร็วก็ไม่ใช่นี่หแต่านดูไปเถอะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อืม อันนี้มันจะเป็นเฉพาะเรารู้เนะี่ยไปพูดในคนหนึ่งฟังก็ยังเชื่อไม่ได้อันนี้เป็นการต้องไปต้องไปพิจารณาให้มีสติสม่ำเสมออยู่เสมอด้วยถ้าเราทำไม่หยุดมันจะมีคณะหนึ่งมันจะมีคณะที่เราที่จะทำให้เราให้แจ้งในสิ่งสังหลายเหล่านั้นแต่ให้ทิ้งความอยากนะ่ ถ้าไปทิ้งความอยากไม่รู้มีแต่อยากกั่นั้นเมื่อเราทอดอะไรเ้วนั่นอะใช่ไหมเมื่อเราทอดอะไรแล้วนั่ น, หออ แ, น, นแหละเมื่อเราไปหมายมัน่นมันอยู่ก็ยังเมื่อเราทอดอะไรปุ๊บอะไรนั่นเอา้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะสบายแล้วทีนี้นี่มันไปอยู่ตรงนั้นอะ อย่างเรามีเพชรก้อนหนึ่งเนะี่ยโดนไปไปในน้าทั้มเสียดายเว้ยแล้วก็ดำในคํามไม่เห็นเนี่ย<ส>เหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวไปคิดไปคิดหนึ่งังมันเถอะได้ก็ได้หายก็หายสั่งมันเนสบายเลยกลับไปบ้านสบายนี่ยมันได้อยู่สิตรงทอดอะไรตนวางนย่างเน่ยคณะนั่นถ้าเรา ไม่จะได้หรือเงิน ไ, ได้จะได้เนอะอะไรก็จะได้เนอะเงนได้เนาะทุกอย่างเอาเต็มทีเพราะมันเนาะเฮ้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างหมดเถอะสบายเลยสงบตรงนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ความรีดโดนมอือยังมีอยู่นั่นแหละไม่ต้องใช้กำลังใจอะไรแล้ว รักษาของเก่านั้นไว้แล้วก็ทําสติให้ดีขึ้นสติให้มากกว่าอย่างอื่นไม่ผิดไม่โจนการทําเพียนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไหมทําไปอย่างนี้ทําไปอย่างนี้แต่ว่าที่ว่ามันพอสมควรเลยเนี่ยสติของเรานะี่ยมันก็ยังไม่เต็มส่วนของมันดอกแต่พยายามเพิ่มไม่มีสติมากขึ้นคนนั้น มันรู้เท่าทันมันทุกอย่างเมื่อเมื่อ ส, อสติเราแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อไรเนี่ยไอ้ความรู้เรามันจะเกิดขึ้นมานเพราะเรามีสติอยู่ก็อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้อะไรผ่านมาเราก็รู้ไอ้ความรู้อันนี้แหละความรู้อันนี้ แต่เราเมสติอยู่จะให้เราเกิดปัญญาจะให้เราตามรู้ตามเห็นขย่างลงไปได้ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่รู้ไม่รู้วันไปถึงไหนอะไรกันคือทำสตินั่นแหละให้มากขึ้นเท่าที่เราทาได้ <c oughs> สตินี่เองจะเป็นคุณค่าอันไพศาลที่จะประครับประคอง ความรู้สึกของเราให้เข้าแนวทางอันสมนุกได้สตินี้มันก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองอจะช่วยประคับประคองตักเตือนเราอย่างพวกเราก็เด็กคล้ายๆพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้า เพราะว่าเมื่อเรามีสติอยู่นะ่ะมันจะตื่นมันจะตื่นมันจะรู้มันจะเห็นมันจะได้สังวรการสังวรการสังรวมมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเรามีสติอยู่อะไรที่ยังมีกิเลสที่มันอยู่ดึกดึกรับเป็นต้นที่เรายังไม่เห็นอยู่นั่นก็สติเรายังไม่พร้อม มันก็ไม่เห็นมัน ด, ดุกู่ได้ถ้าเรามีสติอยู่กระจ่างขึ้นมาเมื่อไรจิตใจหรือปัญญาของเรามันจะป่องใสขึ้นเปรียบประ น, นึ่งว่ า, าเราเอาน้ำใส่ขันมาวางตรงนี้เราจะมองดูในขันน้ำ ท่าน้ำมันก็เพิ่มอยู่ไม่ค่อยจะหยุดแล้วก็พอมองเห็นแต่หน้าเราก็ได้ทาน้ำนั้นมันสะอาดมันนิ่งคือมันมีสติอยู่ประครับประคองดูนั่นมันจะมองเห็นตัวเราเ่ะมันจะมองเห็นไปน้แม้จริงจบตัวนิดเดียวมันจะตายตรงนั้นมันก็จะเห็นไม่ใช่ว่าแต่เราเนี่ย ไอ้ท่าน้ามันก็เพิ่มอยู่ไงแต่ตัวเรานี่เขาเห็นในยากอืเห็นในยากไม่ถนัดถ้าหากว่าน้ําเนี่ยมันนิ่งมันไม่ก็เพื่มมันสะอาดนิ่งอยู่มันจะเห็นมันจะเห็นหลังคามันจะเห็นอาคารต่างๆแม่ตัวจิ้งจกขนาดนี้มันจะจับอยู่ข้างบนมันก็จะพลอยไปเห็นด้วยนี่ไอ้พราะน้ำเนี่มันนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ที่เรานะมันจะนิ่งได้เพราะที่ว่าเรามีสติมีการสังวรสังรวมระวังการระวังเพราะมันความรู้เกิดขึ้นมาความรู้สึกนะเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติอยู่สติจำการที่ด้ทำและคำที่พูดเรียกว่าสตินานก็ได้ ว่ามสติจำการแต่อันนี้มันจะไปสับสนกันอีกอันหนึ่งนะสับสนกันอีกอันนึงสติเกิดขึ้นมารู้มันก็เป็นสัญญาอันนี้มันแก่ได้สัญญาอ น, นิจจาไอ้ความจำหรืออันนี้มันก็ไม่เที่ยงอันมันเกิดมาจากสติญญไม่แน่นอน อย่างผมจะจะเรียกชาคาโรย์เนี่ยตั้งใจจะเรียกชาคาโดนะแต่พูดออกไปเป็นประมุตโตนะแต่ผมก็รู้อยู่มยยยาามมผมว่า ม, วามันเป็นอย่างนั้นอืรู้อยู่ว่าจะเรียกชาคาโดแต่พูดออกไปมันเป็นประมุตโตผมรู้อยู่ว่าผมมันเป็นอย่างนั้น อันนี้มันเป็นวารักสนาที่ว่าสัญญาอนิจจามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนสภาพที่ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงเพราะนานมาแก่มาประสาทมันก็ไม่ดีขึ้นมันโฉมไปออย่างจะเรียกปมดดุตโตเลยไปเรียกชาคาโลซะคารู้อยู่ว่ามันเรียกอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คนหลง ไม่เคยลงมันเคลื่อนคลาดของมันไปตามรักษณเสีงสัญญาณิจอันนี้เราก็เห็นชัดเหลือเกินได้่าเกินอยู่อย่างนั้นแต่ว่ารักษณะามันเคลื่อนไปเองของมันเราเห็นว่ามันเคลื่อนของมันอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่ เรเห็นชัดอย่างนี้อันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสัญญานิจาท่านก็บอกว่ามันไม่เที่ยงมันเคลื่อนคาดเป็นธรรมดาของมันแค่นั้นจันจริงยาให้ไปมั่นหมายมันยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นเราเป็นเขาเรื่องทั้งหลายตรงนี้ก็การกระทําเพียรของเรานี่ต่อไปผมว่า อืเราก็ทําไปอย่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมันดูเป็นปกตินีิยางเราเดินไปเรากวดบ้านแล้วก็ปวดคนเราเรื่อยๆไปถ้าไม่มีใครมาเรียกเราเราก็ไม่ไม่มองดู ถ้ามีใครมาเรีเยกอาจารย์ชาครูเนี่รู้แล้วมีธุระก่อนนั่นแหละนอกแล้นก็ขวดบ้านเราโดยไปมีเรื่องก็จึงพิจารณามันไม่มีเรื่องก็ไม่พิจารณาเรื่องพิจารณาแต่ความเป็นอยู่ของเรานี้ให้รู้ไว้มีสติอยู่อย่างนี้เท่านั้นถ้ามัน ม, มีเรื่องอะไรก็อยู่สบายของเราตามเคย ไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะเราระวังของเราอยู่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งอะไรผ่านมาเราดูจักไม่ใช่ว่าอะไรผ่านมาไม่ดูจักไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมาแต่ว่าเมื่อมันสัมผัสทางอายะตะอะะันนายแลมสัมผัสแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของมันนั่นก็ตามดูมันไป ทีนี้เมื่อจากอนาคตเมื่อจากการกระทํามที่นี่จะเดินมีอย่าณมีสติไปเห็นใบไม้เห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ให้ ร, รู้รู้เป็นโอปนายเยโกน้อมเข้ามาต้นไม้มันก็เหมือนเราเหมือนเนี้ยสัตว์นี่ก็เหมือนเรานาะน้อมเข้าเนาะใครมันช่อช่างมัน ไอ้สติที่ครอบงำเราอยู่นั่นแหละมันจะมีความสงบให้เกิดปัญญาเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นให้คุณพิจารณาใช่หอ้คุณพิจารณาใช่พิจารณาสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไม้อะไรต่างๆเลยพิจารณาไปเนี้ยขวดกวาดก็กวาดไปเไอ้คนขวดกวาดไปคนพิจารณากพิจาณาไปเนี่ยไม่เก็กวาดเฉยๆกวาดไป กวาดไปมีสติไปสมาธิเป็นยังไงเนี่อ น, นะเพียงจะรู้เ อ, อ้ยกวดยาดวัดก็ต้อดีเหมือนกันนะกวาดดานวัดเดี๋ยให้มันสาดอาดเราทําความเพียรนี่ก็เพื่อกวาดจีเดทีทางไหนออกจากใจของเราอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยมันจะพูดข้อมันไปอยู่อย่างเนี้ใช่ไหมปัญญาก็เกิดขึ้นไปเรื่อยไปเห็นไปรื่อยไปมาเห็นสภาพสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้น ก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขของมันนะมหมดแค่นั้นเรายอมรับแล้วก็เรียกว่ามันกความสงบมันก็เกิดขึ้น น, นี่ทุกกระงรับไปเพราะเรายอมรับเมื่อเรายอมรับก็ถอนอุปาทานอุปาธิออกมาใช่นะในทีนั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้น มันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นหมดไม่มีอะไรเราสําคัญมันหมายว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอาความเป็นจริงตรงนั้นมันมีแต่สมมุติเรื่องวิมุติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรส่วนร่างกายเราเห็นแล้วมันก็มีดินมีน้ํามีไฟมีลมผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นคนไทยก็เป็นอย่างนั้นคนฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นใครก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันอย่างนั้นก็สบายอื ก็เหมือนเราที่ดีิว่าท่านจึงให้พิจารณาปฏิบัติการขบชั้นแล้วแต่ในชั้นในบาทแล้ในคุกกันก็ไปในนั้นเมืม่อเราพิจารณาปัจจเวอีกดีดิเห็นม่าเอ้ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายอาหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเอาเข้านในอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรใ น, น ก, ก็สบายไปไอ้คนที่ยังแยกไม่ได้ก็เป็นทุกข์หลาย ลำบากหลายยังไม pues e cool <ding auer> ่ยอมถ้าคนยอมใช่แน่ก็เห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันแน่ก็เลยเกิดความสบายเลยอย่างนี้ไอ้คนนี้มันก็เบาไปไอ้ทีคนยังไม่เห็นมันก็หนักอืมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นอืฉะนั้นเรื่องกรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนั้นครับที่เราปฏิบัต <dem ocracy bullshit> ิที่มุ่งให้เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็บรรเทาทุกข์ละครับมันต้องบรรเทาทุกข์ กลัวว่ามันจะหมดทุกข์มันต้องบรนเทาทุกข์ไปก่อนบรนเทาทุกข์ไปก่อนคือบรรเทาทุกข์คือมีทุกข์น้อยทุกข์น้อยไปน้อยไปนี่เราเราก็จะดูกันได้ทุกคนที่มาปฏิบัติอยู่เนี้ยอย่างสัญชาติโนนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาทำปฏิบัติกันอย่านี้ที่มาฝึกก่อน แล้วก็ดูสภาพจิตของเราสมัยนี้ความรู้เราเราเวลานี่กับความรู้แต่ก่อนที่ที่เราไม่รู้จักมันเป็นยังไงไหมวัดมาดูในปัจจุบันนี้มันก็ต่างกันมากทีเดียวนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นในสิ่งที่ที่หมายมันมาค่อยๆวันเทาไปอย่างนี้มันก็ค่อยไปกันอย่างนี้อืมเป็นเรื่องธรรมดาแต่บาปตัญหารมันก็อยากจะเป็นอย่ยวนี้แหละมันอยากจะหลุดพ้นไปเดินมันทุกคนเน่ะ มันอยากจะเป็นเจวะมันเป็นไปไม่ได้อมเป็นไปไม่ได้อย่างที่ชาครรมวะแม่สมัยก่อนนั่นน่ะไปเห็นอะไรนิดเดียวกนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเรามันเป็นยังไงเราจะปฏิบัติไม่ถูกนั่ยังไงก็ได้เกิดบุญขึ้นมาเกิดบุญขึ้นมากนจะพายบาดแบกกดเข้าไปในป่าเข้าในป่านี้ไม่เสร็จไปในปานู่นี ป่านี้ก็ไม่สงบไปป่านั้นอีกก็ไม่สงบไปในภูเขาลูกนี้ก็ไม่สงบไปตรงนุ่นอีกก็ไม่สงบเลยไม่มีทางที่สงบได้วุ่นตลอดเวลาเนะี่ยถ้าเห็นความสงบอยู่ในปา่าอยู่ในสถานที่อันนั้นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดคือคือเป็นสมมาติที่มันมีความเห็นชอบนั่นแหละตรงที่ว่ามันจะสงบเกิดขึ้นตรงนั้น ถ้าอย่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเนะี่ะไปแล้วออกปัรษาเนะ่ยจะถวายมาไปก็ได้ม่ภูเขารู้นะี่ะมันสงบดีเด้ือเกินมันจะหมดเดียดอยู่ในภูเขารู้เนี่ลองแต่ก็มันมีส่วนเหมือนกันนะแต่มันสงบแตนิดนึงเะแค่ว่าเมื่อกิดมันพุ่นเนีย่ยคุณจะต้องไปภูเขารู้นั่นอีก ลูกนี่ไม่สบายแล้วไปลูกนั่นก็ไปอีกก็ไปเรื่อยๆอย่างคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันนี้ไปอีกคุณก็ต้องไปหาอาจารย์นันอีกเลยวุ่นหมดหมดภูเขาทูกลูกแล้วหมดอาจารย์เนี่ก็ไม่มีกัดจรูปไม่จริงลเลิกมันเป็นไซนอย่างนี้คนเราอ่ะไอความเป็นจริงที่สงบอยู่ตรงไหนเนี่ยคือความเหมือนชอบนั่น่ะ มันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เห็นชอบอยู่ตรงนั้นก็ามสงบแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนกันอย่างวัดเรามันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นสู่ครับสัมมาทิฏฐิมากอย่างนั้นคนที่ไปอยู่ในความสงบแล้วมันหมดกิดเลสหึืมันยังเหลืออยู่นะบางทีมันยิ่ยิ่งไม่รู้เรื่อง ตรงนี้เราอยู่สบายเนะี่ยสบายเพราะความเาเคยชินเคยอยู่ออกไปจากที้ไปตนไม่สบายแล้วก็ต้องดิ้นดนหาที่อยู่เรื่อยๆไปเพราะอะไรพ่อเพราะจิตมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี้มันยังไม่เป็นสมาธิิไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความสบายอย่างแท้จริงมีความสบายชัว่วคราวล้าไปอีก มันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนหรือพูดเรื่องการปฏิบัตินี่ก็เราคนดีๆมาปฏิบัติเนี่ยทำไมทำให้เราเป็นบ้าเนี่ยกลัวง่ายๆมือนนะั้นแตเป็นบ้าเมื่อเกิดเจนหามาเกิดแดนดดอนในวุ่นวายมันยังไม่รู้จับต้องมาปฏิบัติรักษาบ้าเนี่ยหายทุกจะสบายอยู่ลนะ อ ล, อลองมองดูที่ผมก็เคยเป็นมาแหละคิดใหญ่ไฟสูงคิดสะดุพัดอย่างคิดน้อยก็น้อยเกินไปใหญ่ก็ใหญ่เกินไปยาวมากกว่ายาวเกินไปสั้นมันก็สั้นเกินไปมันไม่พอดีของมัน ม, มันเกินความพอดีของความต้องการของธรรมะมันก็ไม่ดีอย่างนั่นความที่ยิ่งขึ้นยิ่งดวงยงิ่งขึ้นยิ่งจอดเวลามันไม่เหมาะส